<c oughs> ขึ้นมาบทกันทุกรียงไปจุลาส่วนตัวอาชาเพื่อพร้อมแล้วกระพันตั้งใจฟังหน้าที่ของพวกเราทั้งพระสงค์องค์เดนญาติโยมอุบาจกอุบาจิกาแม่เขานางเชี ให้รู้จักหน้าที่ของพวกเราทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราบําเพ็ญบุญสร้างบุญทำบุญอันดับแรกให้มีความมั่นใจก่อนว่าเพราะบุญกุศลนันาะพาพวกเรามาเกิด โดยเฉพาะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สมบัติบุญเท่านั้นพาพวกเรามาเกิดบุญมากบุญน้อยให้ดูฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเป็นเครื่องวัดว่าบุญมากบุญน้อยอีกอย่างเด่งก็คือให้ดู ชีวิตความเป็นอยู่ที่ให้เกิดความสุข ก, กายสบายใจถ้ามีความสุข ก, กายสบายใจมากแสดงว่าบุญวาสนาบาราีมของพวกเรามีมากความสุข ก, กายสบายใจน้อยบุญวาสนาบาราีมของพวกเรายังบกพร่อง แต่ถึงยังไงยังไงดูกุศลและเจตนาความตั้งใจของพวกเราไม่มีใครต้องการปราจนากความรุกจะมากจะน้อยนี่คือสัญชาตทยานด้านจิตใจแต่แล้วทำไมจึงมีการฟังเทศปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบุญกุศลทำบุญทำกุศลต่อ เพราะการฟังเท้ฟังธรรมเป็นที่ทําจิตใจของพวกเราให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดเกินโดยเฉพาะใจของพวกเราน่นนะพวกเรามีความเชื่อมั่นว่าพวกเรายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุจุชนมีอะไรเป็นเครื่องบอกเครื่องบ่งบอกสามัญชนปุจจุชนมันต่างกันก็ อริยชนอริยเจ้าอริยชนอริยเจ้านั้นตั้งแต่พระโสดาตจิตาการนากาจนถึงพระอรหันต์อันนั้นพระอริยเจ้าอริยชนแต่พวกเรายังเป็นปุถุชนสามัญชนปัญญาชนโยมีอะไรเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะพวกเราเป็นสามัญชนพอใจของพวกเราหนา มันยังมีโมหะความหลงภายในจิตใจของพวกเรามากอยู่นอกจากโมหะความหลงแล้วทสะความโกรธโลภความโลภฉังนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ภายในจิตใจของพวกเราถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาฟังคาสอนพระพุทธเจ้าใจความฉลาดเลือกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น กายใจของพวกเราถ้าเป็นอารมณ์ของศีลของธรรมอารมณ์ของบุญของกุศลไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนมากนะหนาท่ามกลางของสังคมโลกผูม้มีกิเลสกันหาส่วนมากมันเป็นอารมณ์ของกิเลสกันหาที่แสดงออกทางกายทางวาจากิริยามรรยาทของหมู่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกรวมชาติที่เกิดขึ้น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักเลือกแฟนเลือกใจรู้จักอารมณ์ที่ดีที่ถูกเป็นยังไงอารมณ์ที่ดีที่ถูกที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นให้มาฝึกจากลักษณะของศีลธรรมถ้าเพื่อพวกเรามาฟัง เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะเป็นแบบแปนแผนผังที่พวกเราจะมาฝึกกายวาจใจใจของพวกเราให้อยู่ในลักษณะของศีลของธรรมจะกลายเป็นอารมณ์ที่ดีละงับอารมณ์ฝ่ายชั่วของกิเลสตัณหาผ่านเข้าใจนอกจากนี้แล้วก็พากันฝึกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา การตั้งใจฝึกนั่งสมาธิพรหมนากับฟังว่าตั้งใจเป็นไรพระพุทธเจ้าสอนนกก น, อ น, นักลารูบาอาจารย์สอนในตั้งใจตั้งใจก็หมายก็ว่าใจของพวกเรายังตั้งไม่ได้ดีความหมายนาะนอกจากตั้งใจแล้วก็ตั้งสติสิเนี่ยสติเครื่องระลึกรู้รู้ตัวนี้นะเพื่อ ตั้งแทติยังไม่ได้ดีตั้งใจยังไม่ได้ดีอารมณ์ตรงนี้อ่ะมันจะเว่งตามกระแสของอารมณ์ของกิเลสตัณหาที่มันเป็นฝ่ายต่ําฝ่ายชั่วการฝึกตั้งใจยังไงนั่งสมาธิยังไงเอาต่อไปจะได้เปิดเสียงการฝึกนั่งสมาธิให้พวกเราฟังจากเครื่องบันทึกเสียงเราถ้าอธิบายไปเรื่องอย่างว่าน่นนะใช้เสียงมากมันก็ะจะเหนื่อยฟังตั้งใจอ ฟังข้อปฏิบัติจากเครื่องบันทึกเสียงเอาต่อไปที่นี่นะต่อไปเข้าที่นั่งสมาธิการ <c oughs> <c oughs> การนั่งสมาธิปึกนั่งสมาธิ เป็นการตั้งใจตั้งสติตฝึกความดีให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราขอใจของเราถ้าขาดสมาธิขาดน้อยคุณภาพของจิตใจ ก็หมดไปน้อยถ้าขาดมากคุณภาพของจิตใจก็หมดไปมากฉะนั้นมีการตั้งใจขึ้นมาตั้งจิตขึ้นมาใจคือธาตุรู้เรานึกในกันนานี้นึกฝึก ให้รูตัวว่าเออเขาว่าตั้งใจเราทำอย่างนี้นึกอย่างนี้ตั้งส ต, ติส ต, ติคือเครื่องเลืกกโลรู้ตัวอยู่ในขนาดนี้ว่าเรานั่งฝึกสมาธิ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 ตั้งค ต, ติได้ดีตั้งใจได้ดีสัตัวอย่างสมมติว่าเราแต่งตัวเราสองกระจกเราควรทำใจตั้งใจยังไงดูยังไง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 ไม่ตั้งขึ้นมาไม่ได้อาศัยสติตและลึกกลู่โล่ใจใจมันจะเมือ่อยลอยเคลดไปตามเรื่องถ้าเรื่องวุ่นวายมากๆจิร ย, ยามารยาตการตั้งใจตั้งจิตมันจะตั้งไม่ได้อยู่เฉยอยู่นิ่งไม่ได้ ให้สังเกตบางครั้งบางข่าวหรือบางคนถ้าจิตใจเขามีปัญหามากเขาจะอยู่ไม่เป็นปกติคิริยามารยาทถึงจะนั่งกระจีตเมือลอยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองข้างบนมองข้างล่างอันนั้นแสด ง, งว่า ใจลอยสติ่อยความดีของตัวเองคือด้านจิตใจกิริยามมารยาทนั่นแนหะแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยหมดคุณค่าหมดคุณภาพท่ามกลางของสิ่งแวดรอบทุกวันนี่ท่ามกลางของปัญหา ส่วนมากมันทำให้เสียคุณภาพทำให้เสียความรู้สึกในความดีของจิตใจทุกวันนี้ฉะนั้นถ้าเผื่อเราปล่อยตายปล่อยใจจิริยามรรยาธ แหว่ไมรู้สึกตัวมากเข้ามากเข้ามากเข้าตรงนี้น่าห่วงถ้าเรามาตั้งใจตั้งติฟังพิจรารณาเราจะเห็นความบกพ่องการไม่ได้ตั้งใจตั้งติเราจะเห็นความบกพ่องการ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 นอกจากใจดีเมื่อใจสงบเป็นสมาธิสงบน้อยใจจะมีความสุขความสบายน้อยถ้าสงบมากยิ่งมีความสุขความสบายมากฉะนั้นการมาฝึกนั่งสมาธิ จึงมีความจำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกท่านทุกคนสมาธิจิต ท, ที่เราฝึกที่เราทำมันเป็นวิหารและทำเครื่องอยู่ของใจ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 มีตเตเป็นเครื่องระลึกโลกใจคือธาตุโลกส่วนความนึกความคิดในขณะที่เราฝึกนั่งสมาธิให้เลิกให้ละความนึกความคิดอืนอ่น เมื่อเราปล่อยวางเลิกลนะความลึกความคิดอืนอ่นนั่นแหละเรามาทำใจให้สบายสบายวางเรื่องต่างๆให้จิตใจเรามีความเบาความสบายเราหายใจเข้าเลึอกๆหายใจออกยาวๆลองดูทีน้ำ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 เราเพียงแค่ทำใจให้สบายสบายแล้วนึกกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแบบเป็นปกติแบบสบายสบา ย, บายถ้าเราวางภาระเรื่องทางนอกได้เร็วได้ง่าย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 เพราะกการฝึกสมาธิฝึกความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นอันนั้นคือตะติธรรมใจมีตตินึกพุทโธก็ให้รู้หรือดูลมหายใจเข้าออกก็ให้รูก้การรู้การนึกในลักษณะนี้อันนี้คือการ มีตติธรรมฝึกสมาธิฝึกความเป็นธรรมความเป็นธรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นเธอตติธรรมสติถ้าเผื่อพวกเราฝึกอย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าของสติ จิตใจมีส ต, ติคนมีส ต, ติรู้ตัวการรู้ตัวทุกข์กนาจิตรู้ตัวทุกข์ความสำนึกจะเป็นจิตใจที่มีคุณธรรมคือส ต, ติธรรมเห็นได้ชัด ในขณนะใจเราหรือใจคนเดินที่เขาแสดงด้วยกิริยามารยาตจากการทาหรือทำบุตรท่าตติน้อยอารมณ์ของจิตใจมีมากหมายถึงอารมณ์ของกิเลสโทสะโมหะหรือโลอพระอะไรก็ตามแต่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 ก็ให้รู้อารมณ์โกรธกายรู้ีนโกรธรู้ว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเมื่อรู้ว่ามันเป็นของไม่ดีที่เนี่ยใจของเรามีส ต, ติพร้อมมีสมาธิพร้อมมีปัญญาพร้อม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 ไม่พูดออกตามอารมณ์ไม่แสดงทางกายออกตามอารมณ์แต่นั่นนะ่ะอารมณ์ประเภทนั้นนะ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นกายโลกนี่อารมณ์ความโปรดหรืออารมณ์ประเภทใดที่มันเกิดกายโลก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 ตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ของใจเกิดขึ้นปั่นป่วนรวนเลววุ่นกันอยู่ตามเรื่องอันนั้น่เป็นลักษณะของกิเลสเรื่องปัญหานังนนั้นจะมีน้อยปัญหาน้อยมีทุกข์น้อยแต่ขอบเขตของกิเลสของตัณหามันไม่ได้มีน้อยอย่างนั้ น, น่ะทีเนี้ย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 ฉะนั้นเมื่อเราต้องการความดีความสมบูรณ์ความดีส่วนนั้นน่ะใจต้องการความดีแล้วต้องทำความดีสร้างความดีขึ้นให้ใจของเราใจเราต้องการความเป็นปกติสุขเราจะสร้างความปกติสุขขึ้นให้ใจของเรา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 ถ้าอยู่ตามป่าที่นั่งที่นอนก็ อ, อยู่แบบไม่สมบูรณ์ในการที่นั่งที่นอนผู้ปอกเบาะหมอนอะไรไม่มีฉะนั้นนะตรงนั้นนะที เ, เมื่อพระองค์ไปนั่งสมาธิใจของพระองค์ท่านสมกเป็นสมาธิ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 พระพุทธเจ้าสอนทุกโทษผิดภัยของกิเลสตัณหาพระองค์นี้สอนมาก็สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกยกนี้สมัยนี้เห็นได้ชัดไม่ใช่หรือแสดงกิริยาบรรยาต a ไปตามกระแสของกิเลสโลภโกรดหลงตัณหา ความยากในทางที่ผิดนี่น่ะมันเกิดปัญหาขึ้นเกิดความเป็นทุกข์ขึ้นท่านนั่งกิเลสครั้งพุทธกาลกับยกนี้สมัยนี้อันเดียวกันให้ผลความเป็นทุกข์ด้านจิตใจแบบเดียวกันทนนั้นะความเป็นธรรม สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมถ้าเราฝึกได้ผลการฝึกก็จะเป็นแบบเดียวกับขั้งพุถากาเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาดูเจตใจของพวกเรามันอยู่ในลักษณะของความเป็นศิลเป็นสมาธิมีสติมีสมาธิ เป็นขึ้นมีขึ้นมากน้อยขนาดไหนเราดูเจตใจของเราในขนาดนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ความฉลาดปัญหาต่างๆจาฆ่าให้สลัการละการปล่อยการวางเราใช้ความฉลาดของเราดูเดียว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 ความสำนึกความรู้สึกของพวกเรามีในความรู้สึกมากน้อยขนาดไหนปัญหาเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามดื่มของมืนเมาตุลาเมลัยกัญชายาเติด พฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาความทะเยอทะยานอยากอยากในทางที่มันผิดดูที่ความสำนเนจิตใจของพวกเราความสำนเนจิตใจของสามัญชนทั่วไปที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นทุกข์เป็นททษเป็นบาปเป็นกรรมไม่ควรจะ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 ฝึกใจของเราให้มีความเป็นธรรมให้มีคุณธรรมสติธรรมสมาธิธรรมเอาไว้เราจะใช้ปัญญาธรรมเลือกเฟ้นดันั้นสิ่งที่เลือกเฟ้นในขณะนี้ให้มาดูอารมณ์ทางจิตใจของเรานั่นแหละ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 มาตั้งใจของเราให้อยู่กับความดีตั้งสติของเราให้อยู่กับความดีความดีในเด็ดนี้หมายว่าความดีของใจใจดีนั่นแหละความดีของใจใจดีรู้ตัวอย่างนี้ใจอย่างนี้เรียกว่าใจดีถ้าใจไม่อยู่กับความดีอันนี้มันอยู่กับอารมณ์ของกิเลสพิษและ ดังนั้นความดีของใจความเบาความสบายของใจอะใจของเราเรียนรู้อยู่ภายใน จ, ใจิตใจเมื่อเรียนรู้อยู่ภายใน จ, ใจิตใจก็ได้ดชื่อว่าฉลาดเราเลือกเป็นอารมณ์ความดีเลือกเป็นอารมณ์ความเบาความสบาย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 เคยฝึกอย่างไงให้เอาอย่างนั้นเอาตั้งใจฝึกได้เวลาพอสมควรค่อยเลิกกัน <c oughs> ผลจากการฟังผลจากการฝึกเราเจ้าตรงไหนทนี่มันได้ยังไงผลจากการฝึก รรมาภาปฏิบัติฟังไปฝึกไปฝึกไปฟังไปมันจะเกิดคววมชลายรู้จักเลือกอารมณ์ของจิตใจที่รู้จักเลือกอารมณ์ของจิตใจอย่างนั้นเกิดจากการฝึกความเป็นธรรมคือสติธรรม รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวถ้าเพื่อไม่มีการฟังการฝึกไม่รู้จักการเลือกอารมณ์ของจิตใจร้อยท้งร้อยสามมันจนปุจจชนเนี่ยอารมณ์ของกิเลสโลภโกรธหงอารมณ์ของตัณหาร้อยแปดพันเรื่องฉะนั้นการมาฟังลักษณะของสีนยับยัง อารมณ์ของเกลีดตัณหาปรียดนั้นน่ะเจ้ศีลคือความปกติกายปกติใจเศลคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามคือธรรมศิลธรรมศิลธรรมนั่นน่ะไม่ใช่อยู่เรื่องอื่นเรื่องไกลที่ไกลที่อื่นนะ หมายทั้งกิริยามารรยาทของพวกเราทุกคนมนุษย์ทุกคนนะนะั่นแหละคำว่าศีลธรรมศีลธรรมคือการแสดงออกแต่และบุคคลแต่และบุคคลโลกชาติชัน น, นัะนะนะ้นนั่นแหละผ่านเข้าใจการฟังการปิดการเปิดการฟรรังเรื่องศีลเรื่องธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพวกเ ร, เราวันนี้เห็นว่าพอจำควรเกณเวลาเรื่องเปลี่ยนในบทของกาของเราทีเนี้ พวกยอมเลิกไปก่อ <c> น <oughs>